หญิงแม่ครับที่มเกิดอะไรขึ้นครับมาถึงต้องอยู่ในห้องพิเศษแบบนี้ยิงลูกแม่ครับคุณหญิงแม่ฟังฉันให้ดีนะยิง่งครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ตามที่เถอะอย่าทิ้งท่านไปไหนเด็ดขาดช่วยดูแลท่านแทนฉันด้วยนะรู้ไหมคุณหญิงแม่เป็นอะไรกันแน่ครับจะบอกนะครับว่า คุณหญิงแม่กำลังกำลังฉันกำลังจะตายนะยิ่งคุณหญิงแม่มาไม่จริงใช่ไหมคะคุณหญิงแม่คุณหญิงแพ่รอผมเล่นใช่หรือเปล่าเปล่าจ้ะมันเป็นความจริงจ้ะฉันกำลังจะตายไม่ไม่จริงผมไม่เชื่อคุณหญิงแม่แข็งแรงดีอยู่คุณหญิงแม่ต้องไม่ตายลูกยญิงของแม่ แม่รู้ตัวดีแล้วล่ะว่าแม่จะต้องจากทุกคนไปแล้วจริงๆความตายไม่มีใครหยุดยั้งมันได้หรอกลูกลูกหญิงแม่ พระเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าเรากำลังจะตายก็ตามก็จงอย่าพ่ายแพ้กับความเศร้าโศกเสียใจอย่าร้องไห้อย่าเสียน้ำตาให้กับความตายเด็ดขาดความตายคือการดับทุกข์ที่เป็นอมาตะนะจตว่าคุณหญิงแม่ครับผมผมเธอรู้ดีไม่ใช่หรอยิ่ง คำพีของพระเจ้าทรงสอนไว้ยังไงล่ะเธอลืมหมดแล้วได้ยังไงเปล่าครับผมไม่ได้ลืมแล้วครับคุณหญิง ม, ม่ถ้าเธอจำคำสอนของพระเจ้าดีเธอต้องไม่ร้องไห้กับความตายของใครโดยเฉพาะกับคนที่ตนรักเพราะถ้าเธอร้องไห้เสียใจวิญญาณของคนที่กำลังจะตายจะเป็นห่วงเธอ ไปไหนไม่ได้พ่ออยากให้คุณหญิงแม่เหมือนพระเจ้าต่อให้คุณหญิงแม่จะต้องตายในวินาทีนี่ยผมก็อยากรู้สึกว่าดวงวิญญาณของคุณหญิงแม่สถิตอยู่ใกล้ๆผมเหมือนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่พร้อมที่จะช่วยลูกๆเบอรูว่าลูกๆกำลังเดือดร้อนครับแน่นอนลูกฉันไม่ไปไหนหรอก ฉันจะอยู่เพื่อปกป้องเธอฉันจะให้กำลังใจเธอเหมือนพระเจ้าทรงทำรรอยู่ในเวลานี้แต่ตอนนี้ฉันต้องทำหน้าที่ของฉันให้สมบูรณ์ก่อนนะรู้ไหมแต่ว่าคุณหญิงแม่ครับเออไม่มีอะไรน่าสยดสยองหรอกลูกยิ่งความตายไม่ใช่เรื่องน่าสยดสยองอะไรเลยนะจ๊ะ คุณหญิงแม่เป็นอะไรกันแม่ครับบอกผมทีสิครับคุณหญิงแม่ไปถามหมอสิยิ่งหมอจะเป็นคนให้คาตอบแกเธอดีที่สุดนะจ๊ะไปหาหมอนะให้ฉันได้หลับตาสักนิดเถอะนะแล้วผมจะกลับมานะคุณหญิงแม่รอผมด้วยนะครับออคุณหญิงแม่ครับรับปากผมสิครับว่าจะรอผมกลับมา รีไปเถอะเวลาของฉันเหลืออีกไม่มากแล้วนะยิง่งครับครับผมจะรีบไปหาหมอแล้วรีบกลับมาหาคุณหญิงแม่เลยครับรอผมด้วยนะครับ พูดว่าอะไรนะเออคุณหญิงเป็นมะเร็งในไขสันหลังระยะสุดท้ายครับแล้วก็เชื้อได้ลุกลามเข้าสุดไหลไปต่างปัสแสโลหิตทั่วร่างกายเลยครับคุณหญิงแม่ไม่จริงอ่ะ ไ, ไม่จริงใช่ไหมครับหมอคุณหญิงแม่คือผมยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมครับหมอพูดสิครับว่ามันไม่จริงอ่ะ<ม>บอกว่าผมเล่นพูดสิหมอ พูดสิพูดออพูดสิมหมอก็าเสียใจด้วยนคะครับมันสุขอิสัยเขาหมอแล้วครับคุณหิงแม่ท่านพลตำรวจเอกวิชัยยังไม่รู้ใช่ไหมครับหมอได้ตัวไปบอกท่านเปล่าหรอครับเปล่าเออผมจังไม่มีเวลาโทรติดต่อใครครับเพิ่งออกจากห้องไอซเมื่อกี้นี้เองและตอนนี้ผมควรจะทำยังไงดีล่ะครับหมอผมสับสนเหลือเกินหมอครับ ทำยังไงดีตั้งสติครับคุณจะต้องเข้มแข็งตั้งสติให้ดีนะคุณจะต้องเป็นกำลังใจให้คุณหญิงแม่ของคุณนะครับเพื่อคุณหญิงมีลมหายใจได้นานที่สุดไงได้ไหมคุณหญิงแม่ม เ, เรื่องพลตำรวจเอกพิชัยเนี่ยให้ผมเป็นคนโทรไปบอกหรือคุณเป็นคนโทรไปบอกเองดีละครับ หมอช่วยโทรให้หน่อยได้ไหมครับผมเกรงว่าผมโทรแล้วผมอาจจะควบคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้ว พ, พูดอะไรไม่ออกอ๋ อ, อได้ได้ได้ผมจะโทรให้เดี๋ยวนี้แหละครับขอบคุณหมอมากครับ อ, อ๋ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วงั้นผมขอตัวไปอยู่กับคุณหญิงแม่ก่อนออเลเชิญครับเชิญเชิญแล้วก็ตั้งสติให้ได้นะหมอเป็นกําลังใจให้คุณ ขอบคุณครับหมอ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 b e t o u h g h a t a m became t r e Just you, just you. t a n t you, a t m a k i not e n และวันนั้นมืดมนและสับสน condition don't go พบอะไร o ี่ดี a ี่จะทำให้ใจมีความหวัง y หรือความรช่วยมาวนดูบาให้ได้ คนห้ามเนินนานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใดซึเ พ, พังังอยู่ที่ตรงนี้รอคอไม่รู้วันใดจะพ้ไปสัก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 สิ่งที่คนหามาเนิ่ n นานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใด That a n t a t o r t e k o u i n g t a o k n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 เลยค่ะท่านขาไม่ได้หรอกืทําไมเลยค่ะก็คุณหญิงเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของฉันถ้าฉันปล่อยปละละเลยต่หน้าที่ของสามีฉันก็จะถูกสังคมคอรหาได้แล้วท่านแคร์ด้วยหรือค่ะกับคําคอรหาของพวกปากหอยปากปูนี่ค่ะรักได้ที่เรายังต้องสังคมกับคนอื่นเธอว่าฉันควรจะรักษาเกียรติของตัวเองเอาไว้ไหมล่ะมที่อย่างนั้นคําพูดที่ท่านพ่างบรรณาว่ารักได้อย่างนั้นรักได้อย่างนี้ มันก็เป็นแค่ลมป่าเท่านั้นเองนะสิคะมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเธอก็อย่าคิดมากจะได้ไหมก็ท่านน่ะกาลังจะทําให้ดาต้องคิดนี่คะทํำยังไงล่ะก็นี่ไงคะเพราะท่านรู้ข่าวไม่สบายของคุณหญิงอะ่ะท่านก็รีบร้อนจะไปหาคุณหญิงทงั้งที่ตอนเนี้เราคงมีความสุขด้วยกันในโรงแรมแท้ๆถ้าคุณหญิงไม่สบายนิดๆหน่อยๆฉันก็คงจะไม่รีบร้อนอะไรหรอกแต่นี้คุณหญิงกําลังจะตายนะจันสุดา จะตายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดาว่านนะคะคุณหญิงอาจจะวางแผนให้หมอกโกหกท่านเพื่อหลอยท่านหลงกลทิ้งดาไปหาคุณหญิงก็ได้นี่ไม่เอาน่าจะคิดอย่างนี้สิจ๊ะก็เหตุการณ์เป็นแบบเนี้ยก็เลยทําให้ดาต้องคิดนี่ค่ะเอานะเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกนานไม่แน่นะถ้าคุณหญิงตายวันตายพรุ่งจริงๆแล้วก็ฉันก็จะเอาเธอเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยอุ้ยจริงเลยคะท่านข่ะจริงสิแล้วท่านใช่ดา เข้าอยู่ในบ้านในฐานะอะไรไม่ทราบคะเอหรือว่าให้ไปเป็นนางในฮาเร็มของท่านท่านนั้นเองไม่หรอกฉันไม่เคยเก็บนางไหนไว้ในบ้านทั้งนั้นไม่มีนางในฮาเรม็มไม่มีนางอัมเรอไม่มีนางอะไรทั้งนั้นจะ้ะมีแต่เมียใช่ไหมคะใช่แล้วอืท่านก็สัญญาก่อนสิคะสัญญาว่าสัญญาว่าถ้าคุณหญิงตายไปจริงๆแล้วก็ท่านจะพาดาเข้าบ้านในฐานะพญายาของท่าน แล้วก็แต่งงานกันด้วยนะคะได้สิจ่ะเรื่องนั้นไม่ปัญหาอยู่แล้วเว้ยจริงๆนะคะท่านเจ๋งสิสัญญานะคะท่านขาจ้ะใช่สัญญาจ้ะดาจะได้เป็นคุณหญิงในอนาคตอันใกล้นี้ต่อจากคุณหญิงที่นอนป่วยใกล้ตายตคนนั้นใช่ไหมคะใช่จ้ะอืมท่านน่าใจดีจังเลยคะ่ะท่านน่ารักที่สุดในโลกเลยดาก็หัวหอมแก้มท่านสักฟอด น, นะคะอืมชื่นใจผัวจังเลยเมียจ๋า โอ๋ห่อแล้วค่ะห่อนแล้วแล้วกันสิถ้าไม่ต้องหลบด้วย ห, หรือก็าท่านน่ะชอบแกล้งดานี่ค่ะที่แกล้พอรักหรอกนะจ๊ะก็รู้ไไว่าท่านนารักดานาดาเองก็รักท่านไม่น้อย ก, กว่าเหมือนกันนลยคะ่ะหรือว่าท่านมองไม่ออกอย่างนงั้นหรือคะมองออกสิไม่งั้น ท่านจะมาเสียเวลานอนกลิ่นบนเตียงกับเธอแล้วจริงไหมล่ะขอบคุณค่ะพอก่อนนะคะท่านขาพอก่อนค่ะโออยู่โยนอย่างนี้ท่านจดใจไหวได้ยังไงล่ะท่านขาพอก่อนดีค่ะจะไปแล้วไม่ใช่หรือคะอไม่เอาค่ะถ้าไม่ยอมนะคะท่านขาปาบอกว่าไม่ยอมแต่เมื่อเธอกอดท่านซะแน่นเลยแล้วอย่างนี้ มันม่นหมายความว่ายังไงละจ๊ะอืมอืมาอย่างนั้นการได้มีความสุขเหลือเกิน อ, อยู่กับบ้านนานๆเลยคะจ้าเมียจ้า แม่ผมอยู่ในห้องไอซีใช่ไหมคะเออแม่ของคุณคือคุณหญิงใช่ไหมคะ อ, อ๋อใช่ครับใช่ค่ะตอนนี้อาการหนักมากต้องเข้าห้องไอซีด้วยนะคะแม่ผมอาการหนักขนาดไหนหล่ะครับคือฉันเองก็บอกคุณไม่ได้เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นหมอถ้าคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเอออาการของคนป่วยแล้วก็ต้องรอหมอก่อนนะคะครับงั้นขอตัวนะคะเชิญครับพี่ใครไม่สบายแล้วพ่อหนุ่ม คุณหญิงแม่ผมไม่สบาย อ, อาการหนักตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูนะครับตาเออแล้วเป็นอะไรละ่ะเป็นมะเร็งในไขสันหลังตอนเนี้ยเชี่ยลุกลามเข้าปอดเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วครับตาเฮ้ยทำใจเถอะนะพ่อหนุ่ไมไม่มีทางรักษาได้แล้วครับตาหมอเขายืนยันเรื่องเปล่าแล้วว่ารักษาให้หายได้นะั่งไม่มีใครกล้า ย, ยืนยันอย่าง้เราตาอืมมีแต่จะาหมอให้ทำใจใช่ไหมละ่ะ ก็คือว่าฉันนะ่ะนะผ่านการสูญเสียมันฮักตอนฮักแล้วละ่ะถ้าทางพ่อนุ่มในชีวิตนี้คงจะยังไม่เคยสูญเสียใช่ไหมละ่ะผมนั่นแหละครับตาอืมไม่รู้สิฮะการจากบ้านมาโดยที่ไม่สามารถกลับไปหาได้นั้นน่ะแล้วก็นับเวลาเป็นสิบยี่สิบปีนั้นน่ะตาว่าอย่างนั้นรวมเข้าไปกับเรื่องการสูญเสียมั้ยล่ะฮะ อืมหมายความว่าอย่างไงล่ะเออนี่พ่อหนุ่มจากบ้านมานานขนาดนั้นแสดงว่าคุณป่วยที่เป็นคุณหญิงแม่ของพ่อหนุม่มก็ไม่ใช่แม่แท้ๆสินันเนี่ยครับไม่ใช่หรอกฮะอืมแต่ผู้ประกาศผมตั้แต่พออกจากบ้านมาอืมผู้มีพระคุณฉันนั้นพ่อหนุ่มจะต้องหาโอกาสตอบแทนภู้มีพระคุณให้มากๆนะรู้ไหมรู้ครับตา สิ่งแรกที่ทำได้โดยไม่ต้องรอเวลานั่นก็คือการทำความดีเป็นคนดีของสังคมทำอยู่แล้วหรื อ, อยังล่ะทำอยู่แล้วครับตาออดีมากออตา<ม>ท่านมาแล้วเดวผมขอตัวไปพบท่านก่อนนะฮะเอออาเอา อ, อ, อ, อ, อขอให้พ่อหนุม่มจงโชคดีนะพระเจ้าสงคุมของพ่อหนุม่มให้ปลอดภัยมีความสุขในชีวิตด้วยพระรมีของ การทำความดีด้วยนะขอบพระคุณครับเป็นคำวอวยพรที่ดีมากๆเลยครับตาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับออ อยู่ในห้อง i อซีหมอยังไม่ออกมาเลยครับท่านครับคุณหญิงแม่จะหายไหมครับยิ่งต้องทำใจให้ได้แล้วนะรู้ไหมผมเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสัตว์บโลกใบนี้ไม่มีชีวิตไหนใดใดในโลกที่มีชีวิตจิรังยั่งยืนชั่วนิดนิรัน์หรอกยิ่งเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนรอบข้างหรือกับคนที่รู้จักก็ตามเราจะต้องตั้งสติคิดในแง่ดีว่าเขาไปดีแล้วละ่ะต่อไปนี้จะได้หายทุกข์ายโศกสถทีเธอต้องคิดอย่างที่ฉันพูดให้ได้นะไม่งั้นเธอจะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตซึ่งพระเจ้าไม่พึงพระไทัยแน่ครับท่าน